ขอความเจริญในธรรมจุมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายจร่ประพุทธยานในวันนี้ก็ใครจะนำท่านผู้ฟังไปเพื่ออนายะของอภิญญาสามข้อหลังสมมงว่าที่จริงนายะที่สมบูรณ์เนี่ยมันมันมั น, มนยากยากมากแต่ว่าเราเอานายะที่ลดหลั่นลงมา คือหมายความว่าส่วนหนึ่งเราก็ใช้ความเชื่อส่วนหนึ่งเราก็ใช้ปัญญาที่จะหาประโยชน์จากนิยะตรงเนี้ยก็ทํานองคล้ายๆกับเรามองนิพพานของพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงเราก็สิ้นเชิงไม่ไหวแร้วแต่ทํายังไงว่าหัดข่มใจห้ามใจหยุดความคิดสักบ้างอย่างน้อยก็ลดความรุนแรงของความรู้สึก ที่เป็นแรงปลักดันก้องโลภะโทสะโมหะลงไปคือถ้าจะโกรธก็ไม่ถึงกับไปจองร่างจองผรานาคาพยาบาทมุ่งแก้แค้นอะไรกันถ้าถึงจะยังโลภอยู่ก็อย่าไปถึงก็อยากได้ของก็บบุคคลอื่นในทางไม่ชอบไม่ควรแต่ว่าหลงผิดเข้าใจผิดไปบ้างก็อย่าถึงกับออกนอกคันลองแห่งธรรม ที่เรียกว่าเห็นผิดจากทํานองครองธรรมไปมันก็ได้ไรไว้พอสมควรแนวปุเพใ น, านวาสารอัจยาิการลึกชาติก่อนๆของตนเองได้นั้นมันเป็นเรื่องปฏิบัติพัฒนาทางจิตจริงๆเลยแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามองระดับของภาพรวมของโลกเนี่ย ในการลืกชาติได้มันก็ต้องมีทั้งหลายระดับระดับหนึ่งที่เราเลืกได้ชาติเดียวคือชาติก่อนเป็นชาติเดียว น, ยนี่เยอะนะศาสตราจารย์เอียนสตีเวนสันจากมหาวิทยาลัยที่รู้สึกใจะอะไรมิชิแกนในอะไรเนี่ยจารศึกษาค้นคว้าทั่วโลกถึงสามพันกว่าลายปรากฏว่า ม, มีทุกส่วนแล้วทุกาศาสนาทุกทวิป ก็หมายความว่าอันนี้มันเป็นกฎธรรมชาติประการต่อมานั้นเป็นแนวของการสะกดจิตซึ่งฝลังกำลังศึกษาค้นคว้ากันมากมันก็ไปได้เยอะพอสมควรในหลายปีมาแล้วก็ศึกษาดูก็มีไม่มากเดีย น, นี้ไปหายไปตั้งเก้าสิบตั้งหกสิบกว่าชาติแล้ว แต่ว่าไม่ไม่ค่อยปฏิติดปฏ่อไม่ได้เหมือนเดชานดกของเราที่เล่าคือไม่รู้หัวรู้หางไม่รู้ตลอดแต่ก็เห็นเหตุการณ์เห็นเหตุการณ์ต่างๆในชาตินั้นพบนั้นจนเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยก็ประรู้แนวอย่างหนึ่งคือพวกที่ได้สมาชิได้ญาณ น, นะชั้นต่างๆผู้เปรย์วิหารปัญญาเป็นโลกิยะได้นะฮะ เราลึกได้ไปจนถึงอะไรอะ่ะท่านบอกทั้งยี่สบโกดสามสิบกะสามสิกับอะไรยี่สิบกับสามสิบกับยังเป็นโลคิยะอย่างไทีนี้แนวตรงเนี้ยมันได้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการของกรรมคือถ้าเราไม่เห็นชาติก่อนเนี่ยอยมันชาติปัจุบันมันคืออะไรอะไรที่ความแตกต่างกันหมดเลยนะฮะในในในมนุษย์ทั้งหลายในโลกมันแตกต่างหมดเลย รูปร่างหน้าตาคือสถานที่เกิดสกุลที่เกิดครอบครัวที่เกิดรูปร่างหน้าตาแนวโน้มเอียงลักษณะนิสัยยุคสมัยที่เราเกิดและความโน้มเอียงทางจิตคือการบักบ่นการกระทำอะไรของคนเนี่ยมันยิ่งแตกต่างกัน บ, บางคนเติบโตมาในแวดวงอย่างหนึง่ง เช่นสมมติว่าครอบครัวเป็นพ่คอค้าระดับเศรษฐีลูกนีไปเป็นนักดนตรีหนีไปเป็นนักปิยศาสตร์หนีไปเป็นครูอาจารย์หนีไปเป็นแพทย์พยาบาลอะไรแต่อะไรออ่ะ ค, อคือความแตกต่างเราจะเห็นว่าตรงนี้มันก็ต้องมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังมันคือสิ่งที่เราเรียกว่าบุญที่กระทำไว้ในการก่อนเพราะแนวน้มเอียงในชีวิตของมนุษย์ อางที่พระพุทธเจ้าส่งแสดงในแนวของอะไรละ่ะแนวมงคลก็ดีนะแนวของการบรรลุมรรคผลของบุคคลก็ดีแนวจักสีแนววุตตสีอะไรต่อะไรเนี่ยมันจะมีอยู่ข้อนหนึ่งที่เรียกว่าปุเพกตะปุญญาตาคือว่าเป็นคนที่มีบุญได้กระทําไว้ในการก่อนในเรื่องนั้นๆั้นบุญไปจําแนกแบ่งแยก สร้างลักษณะนิสัยพื้นเพความโน้มเอียงในด้านต่างๆหรือทาให้มองถึงภาษาริบุตรนะภาษาดิบุตรถ้าเราเทียวแล้วมันรวยมหาศาลมาก6นะีโหกร้อยห้าสิบโกดกาปณะหกร้อยหสบโกดโกดหนึ่งก็เท่ากับสิบล้านสิบล้านกาปณะนะนะมันจะสิบล้านบาทกนะ็รวยมหาศาลมากๆ ท่านไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่ใยดีอะไรแต่ไรทรัพย์สมบัติแล้วก็ไม่หาความสุขจากทรัพย์สมบัติเลยแต่ใส่ใจศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ปัญหาต่างๆพลักษณะเหล่นนานี้มันแสดงว่ามีอิทธิพลอะไรอยู่เบื้องหลังที่เราเรียกว่าบารมีก็ได้นะฮะแต่ส่วนดีๆก็เรียกว่าบารมีส่วนไม่ดีก็เรียกว่าอาสวัตโดยคนคนนี้ก็มีบารมีอย่างในแวดวมของพระเนี่ยนะ เราเพราะว่าพระบ า, า, บางองค์ในบวดไม่กี่บราษาเนี่ยเขาเก่งมีความฉลาดมีความสามารถปราดเปรื่องมีความรอบรู้แล้วก็สอนอบรมธรรมะได้ดีมีคนเคารพนับถือมีบริษัทปริวาณสร้างวัดพัฒนาอะไรอะไรตอนได้เยอะมันไม่ใช่ธรรมชาติปัจจุบันแต่แสดงว่ามีอยู่เบื้องหลังในแต่การเรียนความน้มเอียงความถนัดความสนใจเนี่ย ล้วเห็นว่าคนบางคนในป่ยอแตะบางสายนี้ไปไม่รอดเลยมือนหนว่าง่วงนอนไม่อยากตัวไม่อยากฟังไม่สนใจแต่พอมาบางสายนี้ไปได้เลยเราจึงพบว่าคนบางคนนะอายุไม่เทา่าไรแตกฉาในธรรมะอธิบายธรรมะได้จอดๆๆเลยอธิบายได้ดีด้วยแล้วก็แสดงให้เห็นถึงว่ามนุษย์มีเบื้องหลังตัวเองอยู่ เป็นปัจจัยส่งเสริมบวกหรือลบไม่รู้นะครเพราะว่ากระบวนการของกรรมนั้นเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยชนกกรรมที่นําเราเกิดก็ดับมันจะมีอุปถัมพกะกรรมซึ่งเป็นพวกเดียวกับชนกกรรมหรือโอปิเรกกรรมตรงกันข้ามกับชนกกรรมอุปคาตกรรมก็ตรงกันข้ามกับชนกกรรมคือทําให้เกิดพลิกหน้ามือเป็นหลังมือได้นะฮะจากบวกเป็นลบจากลบเป็นบวกได้ เราก็มีตัวอย่างบุคคลให้เห็นกันดูหรือว่าคนบางคนเราเจอแล้วเราประทับใจทันทีเลยไม่ต้องรู้จักคนบางคนเนี่ยเกิดเจอปั๊บเราไม่ชอบปุ๊บทันทีเลยเขาบอกไม่มีปีไม่มีครุยที่จริงมันมีทั้งปีทั้งครุยมันแสดงถึงปุเพสันนิวาสคือการอยู่ร่วมกันมาในชาติปางก่อนของคนเหล่านั้น ว่อยู่กันมาด้วยความเป็นมิตรด้วยความเป็นศัตรูถ้าอยู่กันมาด้วยความเป็นศัตรูว่ เ, เห็นมันก็มีสิ่งร้าวแล้วก็ตุ้นให้เกิดความไม่ชอบอยู่ด้วยมาด้วยความเป็นมิตรในระดับใกล้ชิดขนาดไหนแหละยิ่งใกล้ชิดมากยิ่งประทับใจทันทีสมมูลหนุ่มๆสาวๆ ส, สมัยนี้เขาเรียกว่าปิ้งทันที มันไม่ใช่เป็นเรื่องอารมณ์นะฮะแต่เป็นเรื่องของแรงปลักดันของกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมถ้าดีก็แสดงว่ากุศลกรรมนะฮะถ้าไม่ดีก็แสดงว่ากุศลกรรมทีนี้การยอมรับประเด็นตรงนี้มันเป็นเหตุหเรารับผิดชอบรับผิดชอบในปัจจุบันก็การกระทำของเราในปัจจุบันเนี่ยมันให้ผลในอนาคต แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะยกยอดไปให้ผลในภพชาติต่อๆไปคล้ายๆกับเราลดน้ำที่ขนต้นไม้แล้วไปให้ผลที่ปลายถือเราปลูกต้นไม้เนี่ยวันนี้แต่เาให้ผลอีกหลายปีข้างหน้าผลบุญกุศลวิชาความรู้การทำดีทำชั่วของมนุษย์ก็เหมือนกันมันไปรอเราอยู่ข้างหน้าพระเจ้าทรงอุปมาให้ฟังว่า บุญไปต้อนรับคนผู้ทำบุญเอาไว้เนี่ยเหมือนญาติพี่น้องผู้มีใจดีรู้ข่าววาญาตของตนเองซึ่งจากบ้านไปนานจะกลับมาเนี่ยก็มาชุมนุมกันรอต้อนรับด้วยความชื่นชมยินดีแล้วก็แสดงว่าถ้าเรามองในสายนี้แล้วก็ใช้ศรัทธาคือความเชื่อก็เป็นเรื่ได้เกิดความสำเร็รับผิดชอบ ในการใช้ชีวิตปัจจุบันเพราะว่าผลมันจะเกิดแก่เราในอนาคตบวกลบไม่รู้ก็แล้วแต่ว่าเราทำเอามันก็หมายความว่าเราสามารถเลือกทางเดินให้ก่ับชีวิตในอนาคตของเราได้มันอยู่ที่การเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถูกหรือเปล่าเราจึงเพราะบางคนบางคนเนี่ยตัดสินใจช่วงวูบของอารมณ์ จะถูกยั่วยุหรือยั่วยวนหรือมอมเมาหรืออะไรก็ตามนะฮะในปัจจุบันที่จริงมันมีอะไรสลับซับซ้อนจนยากต่อการจะวินิจฉัยพฤติกรรมใดดันมากที่มนุษย์ไม่ได้ทำแต่ว่าพวกมนุษย์ด้วยกันเนี่ยไปใช้เขาเป็นเครื่องมือไปทำมงทำลายมันมีความสลับซับซ้อนเอยอะ มองชั้นเดียวเนี่ยตัดสินยากนะในปัจจุบันเนี่ยต้องมองหลายชั้นเลยและที่จริงมนุษย์เองก็มีพฤติกรรมอย่างนั้นที่ท่านบอกว่าเชื่อคนอย่าเชื่อคนเชื่อหลายหนมักเสียการทศกณัณพ์ปยามาณเนมา น, มนล้วงดวงใจเราแสดงก็สอนกันมาตั้งนานแล้วโลกเขาก็เป็นเขาอย่างเนี้ยทีนี้ถ้าเราเกิดรับผิดชอบในปัจจุบัน โดยหวังผลในชาติหน้าในวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าจะถึงชาติหน้าแล้วก็ชาติต่ตอไปคนจะหนักแน่นในการสะสมบุญกุศลที่เรียกว่าบุญญาณิธิคือขุมทรัพย์คือบุญคือมันมีความชัดเจนนะฮะถ้าเราดูในประสูนย์ในที่การศึกษาที่พระเจ้าทรงแสดงแก่พระเจ้าปิมพิสารมันเป็นเรื่อง ผลในปัจจุบันเนี่ยมันมาจากอาดีตทั้งนั้นเชื่อว่ารูปสวยเสียงไพเราะ ผ, ผ, ผิวพัรสวยงามนะฮะส่วนทรงสมส่วนมันมาจากอะไรบางทีพี่น้องฝาแฝดก็ไม่เหมือนกันลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันก็ไม่เหมือนกันทำไมไมาแต่งต่างกัน นั่นว่าเป็นเรื่องกรรมของบุคคลที่ทำไว้ไม่เหมือนกันกรรมมันก็ตกแต่งให้มีความประหนี่ยิ่งย o อนแตกต่างกันออกไปทีนี้เราก็มาย่อยสั้นเข้าเอาระลึกถึงชาติในปัจจุบันเนี่ยย้อนไปสู่อดีตย้อนไปสู่อดีตไปถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าว่าเป็นแถวไปเลย ในสายตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงใหญ่แต่เรามองถึงความรู้สึกนึกคิดในปัจจุบันเนี่ยนะเราเห็นว่าพฤติกรรมของคนในปัจจุบันจำนวนไม่น้อยที่มีสำนึกชาติที่ต่ำเรืการวิกฤตการเศรษฐกิจเมื่อ 4-0 เนี่ยแต่เรามองไปตอน 3-9 ถึง 3-8 3-7 3-6 เนี่ยย้อนไปนะ คือจะเห็นว่าข้าวเรามันก็รู้กันมาตั้งนา น, นวันหนึ่งมันจะเกิดปัญหาแล้วก็ลักษณะการขนเงินแบบโวย ก, กวนออกไปนอกประเทศพวกมีบ้านในต่างประเทศด้วยเนี่ย น, นะฮะก็แสดงว่าสมนึกชาติเ่ยมันต่ำคนไม่ได้คิดที่ร่วมชะตากรรมกันชาติบ้านเมืองเนี่ย จริงมันต้องช่วยเหลือกันก็ เ, เรียกว่าร่วมพุกข์ร่วมสุขกับชาติบ้านเมืองได้ไหมละ่ะเป็นกัลยาณมิตรของแผ่นดินก็แผ่นดินเป็นกัลยาณมิตรกับเราแล้วแต่ว่าทําไงเราจะสมมึกคุนของแผ่นดินโดยจนถึงสํานึกชาติเราอาศัยพ่อแม่อาศัยปู่ย่าตายายอาศัยอะไรอะไมาเยอะนะะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสถาบัน เ้าบ้นต่างๆเนี่ยเดี๋ยวก็อาศัยเขามาตลอดปุญาตยายเราก็ได้อาศัยมาเราเป็นลูกนี้นะฮะเราไม่ได้เป็นเจ้านี้มีในชาดกพระโพธิสัตว์บัง เ, เกิดเป็นนกแขกดาวในละกินข้าวในานาเขแล้วเนี่ยข้าฟ่งข้าวไรในานาเขาแล้วเนี่ยมันจะคาไปเข้าไปส่วนหนึ่ง ไอเจ้าของนามันก็รู้สึกเอ๊ะนกตัวนี้มันเป็นยังไงไม่กินแล้วยังอุตสาห์ขาบไปอีกเขาดักจับได้แล้วก็นกกับคนผูดกันรู้เรื่องนะก็สอบถามว่าทําไมไปกินของข้าวเจ้าแล้วยังเอาไปอีกท่านบอกว่ามันไม่ใช่โลคปลอกแต่ที่ท่านเอาไปนั้นมมีตผลหลายอย่างคือหนึ่งเนี่ยเป็นการให้กู้คือเลี้ยงลูก น, น้อยที่อยู่ในรัง สองเป็นการใช้หนี้ก็เลี้ยงดูบุปการีที่ออกหากินไม่ได้แล้วก็สามคือฝังไว้ในแผ่นดินก็คือสงเคราะห์นกที่ชอราผ้ า, าป่วยแล้วก็พิการะอะไรต่างๆนี่เพราะท่านจึงเอาไปมากคือไม่ใช่เอาไปเก็บสะสมกักตุ้นเลยหรอกเพ่ททำให้ชาวนาเกิดศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็ให้นาทั้งแปลงเลย ใ ห, ให้มาคนไปได้นี่ก็แสดงให้เห็นว่าแหนบุญญาณิธิเนี่ยการฝังทรัพย์คือบุญกุศลเอาไว้หรือการสมนึกคุณของอะไรสถาบันเนี่ยพูดง่ายสถาบันชาติาศาสนาพระหมหากษัตริย์เนี่ยเราก็ทดแทนคุณเราเป็นผู้อาศัยแล้วก็ให้ชาติาศาสนาพระหมหากษัตริย์ได้อาศัย อย่าจะมาเป็นพระอย่างเงี้ยเราก็อาศัย ศ, ศาสนาใ ศ, ศาสาธุชนเราก็จเจริญเติบ โ, โตมาได้นะเราก็ต้องสมมึกคุณศาสนาต้องชดใช้อุปการคุณของศาสนาจะบันเมืองก็เหมือนกันคือมันไม่ต้องไปคิดว่าชาติบันเมืองจะให้อะไรแล้วเราก็ได้อะไรอยู่พอสมควรนะ มันถึงยุคที่เราจะต้องตจาะว่าเราจะให้อะไรแก่ชาติบ้านเมืองและเป็นการระลึกแล้วมันเกิดสํานึกกตัญอยู่กตเวชีและแนวตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าถ้าเราดูถึงปฏิปทาของพระพุทธเจ้าพระหันทั้งหลายเนี่ยคือบางเรื่องมันป่ารบชาติในอดีตเราเคยอุปรรคคุณกันมาสนับสนุนกันมาเช่นว่า ปรจุลปันถกที่พระเจ้าสรงครอบประจุลปัญโกนั้นเป็นเรื่องของครูกับศิษย์ที่อุปถัมภ์ข้าจุนกันมาผ่านพพชาติกันมาปรจุลปันถกนั้นท่านท่องหนังสือสีบรรทัดในสีเดือนไม่จบพระมาปันโกที่ชายก็ไล่ให้ศึกท่านก็ไม่ยอมศึกเพราะว่ายินดีในศาสนา แต่พระเถระก็ไล่จ ร, ล จ, รลไลจริงเกิดทาทีไปไล่จริงก็ไดไม่ไล่จริงออกป่วยใจเกิดสํานึกสำเนียกท่านก็น้อยใจว่าพี่ชายไม่อะไรจะดีแล้วก็ไปไปจะศึกพระเจ้าเสด็จมามาถึงก็สอบถามจะไปไหนจะศึกทําไมศึกละพี่ชายให้ศึกอ้าวแล้วเธอบวชฤทธิ์พี่ชายหรือบวชฤทิศใครล่ะก็ไม่ได้บวชฤทธิ์พี่ชายอุทธิ์พระผู้มีพระภาคเจ้า อ้าวแล้วเรายังไม่สึกเนี่ยจะสึกทําไมอ่ะพุทเจ้าก็นําไปแล้วก็ให้ภาคขาวท่านบริกรรมบรรลุมรรคผลในครึ่งเช้าถึงไม่ทันถึงเพลนะนะมันก็ตื่นเต้นอจจัศจรรย์ภิกษุทั้งหลายก็มายกย่องฝังเสื่อการวราพุทธเจ้าบอกว่ามันใช่ชาตินี้เท่านั้นเราชาติก่อนก็เคยช่วยก็ามาอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างเงี้ยพุทเจ้าก็ช่วย นั้นแสดงให้เห็นนึงว่าอุปการะปฏิการะของมนุษย์เนี่ยในแง่ของคนที่มีคุณธรรมสูงแล้วเนี่ยไม่เข้าไปได้มองเยาวชาติเดียวก็มองผ่านพบชาติไปเลยอุปาราชคุณสนับสนุนส่งเสริมกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันผ่านพบชาติกันมาเป็นอันมากพระพุทธเจ้ากับพระอานนท์พระพุทธเจ้ากับพระสารีบุตรพระโมคคัลลานาะภา น, นุรดิตรใดเนี่ยเราจะเห็นว่า แลเรการแสดงในเรื่องของพพชาติอันตรีที่เคือประทถมคําจุนสนับสนุนกันมามาถึงชาติปัจจุบันท่านก็สนับสนุนกันดีท่านก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเราอาจจะไม่มองไกลขําพภชาติอย่างนั้นเราลึกชาติไม่ได้แต่ว่าเราลึกอย่างเงี้ยมองดูในปัจจุบันเนี่ยว่าเราในมาเราเป็นใครมาจากไหนความเจริญเติบโตของเรานั้นสืบเนื่องมาจากใครบ้าง แล้วก็มองให้ชัดเจนลองถามดูว่าถ้าไม่มีวันนั้นเราจะมีวันนี้ไหมจะมีเขาไม่มีเข า, เขาจะมีเราในวันนี้ไหมเราสาวได้ลึกๆถาลายยิ่งดีสาวไปลึกถึงบุรพาหมากษัตริย์ในอดีตถึงบุรพาจารย์ในอดีตถึงบรรพชนไทยในอดีตเราสาวได้ลึกๆประยะข้องการเราลึกชาติเนี่ยลึกความเกิดของเราที่ไปเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น ื่ยเกิดความสำนึกคุณเกิดความกตัญญูกตเวทีเกิดความคิดที่จะตอบสนองคุณของชาติปันเมืองคุณของแผ่นดินคือมาประทับใจโครงพระราชินิพนธ์สยามานาจิของรัชกาลที่หกก็ยังงงตัวเองอย่างกันนะอ่านที่เดียวจำได้เลยแล้วยังึกไม่ออกว่าอ่านมาจากไหนที่เห็นมันซึ้งดีจริงโครงเนี่ยมาเป็นคนจายาก ประจํไม่ค่อยแม่นมันไม่ถนัดไปเหมือนกับกรอนแต่สยามมังตินีนเราเห็นภาพประจําเลยอ่านอ่านโรดเดียวอ่านคราวเดียวล้วก็จําได้เลยคือมันซึ้งซึ้งมากว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยสํานึกชาติได้ขนาดเนี้ยเอาขนาดบทแรกกับบทที่สองนะ่ยไม่ต้องเอาสามสี่นะฮะสามสี่เป็นเรื่องทหารครับรักล่าจงจิตน้อมพักดีท่านนาะ เพราเราและกบรประชนของเรานั้นสืบเนื่องมาจากสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้ร่มพระโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ก็แสดงให้เห็นเรื่องความยางรับพระดีต่อสถาบันรักชาติ ก, กรกณีแน่ไว้เราก็เป็ น, นวนหน่วยหนึ่งของชาติเจะทำอย่างไงว่าเราเกิดมาอาศัยชาติและก็าชาติได้อาศัยเรา แต่เราที่อาศัยเราอาศัยเยอะอาศัยมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายชาติได้อาศัยเรายัางไงเนี่ยเราก็ทดแทนคุณแผ่นดินไม่หมดนะคุณไม่ชาติบ้านเมืองนี่ยมันเยอะรักษากรบุญตรีสุจริตทุ่นเทินเห็นไหมศา ส, สนามันไม่ถึงก็ต้องไปทําอะไรมากหรอกปฏิบัติตัวเป็นคนดีก็แล้วกันถามว่าไม่ต้องเข้าวัดพังธทำจาศีลได้ไหมได้เลย แต่ว่าทำตเป็นคนดีก็แล้วกันศา ส, สนาเนี่ยไม่ได้มุ่งหมายว่าเราจะได้อะไรจากศาสนิกแต่ก็ต้องการให้ศาสนิกเนี่ยได้รับประโยชน์อะไรจากศาสนามันก็แค่พระเทศเนี่ยที่จริงก็จะถวายกันเทศหรือไม่ไม่แปลกอะไรมันไม่ได้เกี่ยวอะไรก็อยากจะถวายมันก็เรื่องของเขาเขาไม่ถวายมันก็เรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่พระเราต้องเทศ แล้วก็ไม่แปลกเราสามารถาที่จะทางานตรงนี้ได้นะฮะทำงานตรงนี้ได้โดยแล้วก็ครองชีวิตอยู่ได้โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องมีการให้การรับอย่างสามัญชนทั่วไปรักษาจงจิตให้โลกสองสนเสริญในศักดิก์ศรีของความเป็นมนุษย์เนี่ย คงเนื้อหาก็ความเป็นมนุษย์คงเนื้อหาก็ความเป็นพูดคงเนื้อหาองความเป็นไทยโดยเฉพาะเวเนี่ยปัญหาใหญ่ในเรื่องคุณลบุตุณนธิดาในสุภาพบุรุษสุภาพสตรีของเราในอ่อนไหวโยคลอนจนน่ากลัวนะฮะก็ยังนึกไม่ออกยังนึกไม่ออกว่าเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ยังไงแต่ว่าเป็นเรื่องที่จะต้องทําความเข้าใจต้องสร้างสํานึกคนจะต้องสํานึกตัวเอง เพราะความคิดที่เรารับมาจากต่างแดนเป็นอันมากเนี่ยจากคนจากการสำรวจต่างๆเนี่ยต่อออกแบบสอบถามต่างๆนี้บางทีเราก็คิดแล้วน่ากลัวแต่ว่าก็คงจะทําได้เท่าที่ทำเพราะกลุ่มเป้าหมายเป็นอันมากที่องค์กราศาสนาไม่สามารถจะติดต่อเขาได้เพราะเขาไม่สนใจแล้วก็ใจใจบอดซะอย่างก็จบทั้งฝั่งเท่าไหร ใต้ร่มพระโพธิาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงกงามไปบูรในธรรมจะมีแตะท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี